ซึ่งเป็นคนพิการเป็นโรคถ้าเรียกใน ป, ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคไทกรณ์นั่นเองมือเนี่ยถูกไทกอกินข้อมันจะหลุดอยู่แล้วเน่าเฟะเชี่ยเช้าขึ้นก็ใส่บาดสมหากระสบขณะที่เอาข้าวใส่บาดเนี่ยไอข้อนิ้วอีกนิ้วหนึ่งซึ่งมันจวนจะหลุดอยู่แล้วก็พเพอิ่หลุดลงลงบาด ท, ท่านพระบากระสปากลงไปชิ้นหนึ่งอยู่ในบาดสมหากระสบรับบาดไปแล้ว ท่านไปนั่งพิจารณาแล้วก็ฉันอย่างไม่มีความรังเกียจเลยพิจารณาซะก่อนแล้วท่านก็นั่งฉันครั้งหนึ่งพระออกบิณฑบาตไม่มีอาหารจะบริโภคจำได้ว่าพระภิกษุรูปนี้พระพุทธองค์ยกย่องว่าเป็นคู่ที่มั่นคงในพรมาจันทร์ท่านไปเยี่ยมบ้านท่านเป็นลูกเศรษฐีในเศรษฐีตระกูลเนี่ยมีอาหารเหลือทุกวัน ขนมอะไรบูดก็เอาไปเททิ้งวันนั้นท่านไปเยี่ยมบ้านโยมท่านแต่ท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระภิกษุท่านต้องบินทบาทฉันท่านก็ไม่เข้าไปขอโยมที่ไม่ได้ปรารณาเ็ราเป็นการผิดวินัยถ้าท่านจะเป็นโยมแม่ท่านท่านก็ไม่ขอเผอิญเช้าวันนั้นบินทบาทไม่ได้คนใช้ของท่านเองในบ้านโยมท่านกําลังจะนําอาหารบูดเนี่ยไปทิ้งท่านก็ไปยืนนับบาทบอกอย่าทิ้งเลยทิ้งลงในบาทนี่เถอะ คนใช้ก็อ า, อาหารบูดเนี่ยทิ้งลงในบาศท่านรับอาหารได้แล้วท่านก็ไปนั่งฉันฉันอาหารบูดนะที่ค้างคืนแล้วนั่งฉันพิจารณาแล้วก็นั่งฉันแหมพอทางบ้านรู้ว่าเป็นท่านโอ้โหพ่อแม่มาร้องผมร้องไห้บอกทําไมลูกทําอย่างนี้สมบัติของเรามากมายทําไมถึงไม่เข้าไปรับทานอาหารดีๆทําไมมาบริโภคอาหารที่เหลือเดนทําไมต้องเดินขอทานอย่างนี้ร้องผมร้องไห้จะให้ลูกศึกท่าเดียว เอาเงินทองมากองไว้บอกว่าลูกศึกเธอเออเราเป็นคารวาสเนี่ยเราก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้ทําบุญได้เนี่ยเงินทองเรามีเยอะแยะลูกจะทําอะไรก็ทาสิตามใจแม่ไม่ว่าหรอกขออย่างเดียวให้ลูกศึกมาครองเดือนเธออย่าไปใช้ชีวิตลําบากลาบนอย่างนี้เลยท่านก็ไม่ยอมศึกเนี่ยแม้แต่อาหารที่บูดเน่าท่านก็บริโภคเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าก่อนจะบริโภคเนี่ยท่านได้พิจารณาสิก่อนว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อความอริสอร่อย แต่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันดารงอยู่ทีนี้พอเป็นอาหารที่เหลือเดนหรืออาหารหยาบเราอาจจะคิดว่าแหมอาหารเหล่านี้มันไม่น่าบริโภคซึ่งความจริงแล้วถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมและยอมรับความจริงกันแล้วอาหารที่ทำมาร้อนๆใหม่ๆเนี่ยตั้งบนโต๊ะควันกาลังขงมงเชยมันก็สวยงามระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปแตะต้องมันเท่านั้นเอง ระหว่างที่มันอยู่ในจานแต่พอตักจากจานใส่ปากเคี้ยวแล้วเคี้ยวไปสักสองสาครั้งเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับอาหารที่บูดไม่ต่างอะไรกับรากสุนัขเราลองคายอาหารที่เราเคี้ยวสักสิบเที่ยวออกมาเนี่ยแล้วเราก็ลองกลืนเข้าไปใหม่อีกทีนึงเราก็คงจะไม่รับประทานแล้วทั้งท้งที่เราเคี้ยวเองอะและเราก็คายออกมาเองแล้วเราจะใส่ลงไปเองอีกเราก็ไม่เอาแล้ว เพราะความปฏิกูลของอาหารมันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยจะเป็นอาหารประเภทไหนประณีตอย่างไรทํำกันยังไงก็ตามแต่เมื่อไปเปลือกกล้วกับน้ําลายกับน้ํามูกแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันกลายเป็นของปฏิกูลไปหมดเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ในเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันนี้ ไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องบริโภคด้วยความไส้ความยินดีควรพิจารณาว่าเหมือนกับเราเนี่ยบริโภคเนื้อบุตรเพื่อที่จะอาศัยอาหารประทังชีวิตปฏิบัติธรรมข้ามความกันดานเท่านั้นไม่ได้มีอะไรอื่นมากไปกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรากินเพื่อไอ้นั่นเรากินเพื่อไอ้นี่ไม่รู้เพื่ออะไรต่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันมากเรื่องกันไปเองแต่แท้ที่จริงแนะก็คือกินเพื่ออยู่ถ้าถามว่าอยู่เพื่ออะไร เราก็อาจจะตอบก็ไม่ถูกก็อยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก ok no. you hmm ินละรู้ว่ากินแล้วมันอยู่ได้ก็กินเพราะถ้าไม่กินแล้วมันจะอยู่ไม่ได้แต่อยู่เพื่ออะไรเนี่ยเราไม่รู้พระพุทธองค์จึงได้สอนมาเราเนี่ยกินไปเพื่ออยู่แต่อยู่เพื่ออะไรก็คืออยู่เพื่อที่เราจะประกอบกรรมดีหรือสั่งสมบุญบารมีอะไรก็ตามเราก็ต้องพิจารณาพระพุทธองค์ท่านสอนเราว่าเรากินเพื่ออยู่เนี่ยการอยู่ก็อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อสร้างบารมี อยู่เพื่อสั่งสมบุญกุศลหรือสั่งสมคุณงามความดีที่เราควรจะได้ในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของการกินกินเพื่ออยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่กินเพื่อมีหน้ามีตาไม่ใช่กินเพื่อเกียรติยศไม่ใช่เออถ้าเรากินน้านสูงๆแล้วเราได้รับเกียรติยศมีหน้ามีตาอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนๆกันเท่านั้นน่ะจะกินข้าวแกงข้างถนนหรือไปกินในเหลาสูงๆมันก็เท่ากันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากเลย หรือจะกินอะไรก็ตามถ้ากินเพื่ออยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกอะไรมากอาหารอะไรที่พอกินได้เราก็กินไปเพราะถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วบางทีการกินนั่นแหละที่เป็นปัญหาของสังคมและนําความเดือดร้อนมาความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยก็เดือดร้อนมาจากคนกินกันไม่เป็นกินกันไม่เป็นก็เดือดร้อนบางทีของของเรามีกินก็ไม่กินไปกินของคนอื่นเขา ของดีๆมีกินก็ไม่กินไปกินของเสียน้ำบริสุทธิ์มีกินไม่กินไปกินน้ำเมาเนี่ยมันก็ยุ่งนั้นมันก็เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ากินกันไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราควรที่จะได้ที่จะนาด้วยปัญญาว่าเราควรจะกินอะไรและการกินนั้นกินเพื่ออะไรกินแล้วเราจะเดือดร้อนหรือไม่เพราะบางคนเป็นนี่เป็นศีลเพราะกินก็มี กินแล้วไม่มีสตางค์ให้เขาก็มีเนี่ยเพราะว่ากินกันไม่เป็นถ้าเรารู้เรื่องกินซะแล้วเข้าใจในเรื่องของอาหารว่าเรากินกันเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นเองเราจะไม่เดือดร้อนเลยการดํารงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็จะไม่เดือดร้อนและเราจะมีความมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีพิถีพิถันพิธีรีตองอะไรมากมายนะักเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาวัด ทุกครั้งที่เราบริโภคกะวะลิงการาหารเนี่ยให้พิจารณาว่าเหมือนกับเราบริโภคเนื้อบุรเหมือนมานดาบิดาบริโภคเนื้อบุรเพื่อที่จะให้ข้ามความกันดารเหล่านี้ไปไม่ใช่เพื่ออะไรเลยเพื่อข้ามความกันดารในชีวิตแท้ๆและข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูด้วยสติปัญญาว่าทุกวันเนี่ย เรามีคำสอนเตือนใจว่าต้องทำมาหากินพอโตขึ้นมาพ่อแม่ก็สอนเออแกต้องทำมาหากินนะทำเอามาหากินทำมาหากินสอนเนะ่ยทำมาหากิน <c oughs> ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำมาเพื่อที่จะกินบางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าการทำมาหากินนั้นนะ่ะในหลักปฏิบัติ เราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำมาหากินบางคนความโลภเข้าไปประกอบตัวเองกินไม่มากหรอกกินนิดเดียวแต่ความโลภแม้อยากจะได้มากมายบางทีไปเบียดเบียนคนอื่นเข้าไปข่มเหงรังแกเขาบางทีไปรักขโมยเข้ามาบางทีไปคดโกงเข้ามาเพื่อที่จะเอามากินและบางทกีก็กินกันไม่หมดแต่ว่าในชีวิตของคนจริงๆเนี่ย ถ้าจะอาศัยการกินแล้วคนหนึ่งคงจะกินไม่เกินสองจานสองจานในอิ่มแล้วใส่ลงไปไม่ไหวแล้วเพียงแค่เนี้แทบแย่แล้วถ้าสองจานเนี่ยเราซื้ออาหารสองจานกินมันก็คงจะไม่เกินสิบบาทเพียงแค่สิบบาทนี่เรากินไม่หมดแล้วและทุกวันเราก็กินเพียงแค่เนี้ยลืมปลาขึ้นมาก็กินแค่เนี้ยกินมื้อละแค่นี้เองไม่ได้กินมากมาย แต่แหมโอ้โยอะไรก็มารู้มาโหลานไปหมดบางทีเอาไอ้หนุ่นไอ้นีมาซับสมบัติพระสถานสะสมไม่มากมายตัวเองไม่ได้กินเท่าไหร่บางทีเอามานั่งดูนั่งชมเอามานั่งคิดเรามีเท่าไหร่และเชคคิดเอาแล้วก็มีความสุขกว่าแหมเรามีเงินมีทอง ม, มากนะมีความสุขสบายอกสบายใจแต่ว่าประโยชน์ของเงินที่มีอยู่มากๆจริงๆนะก็คือสองจานนั่นเองที่ได้ประโยชน์แท้ๆนอกนั้นไม่ใช่ประโยชน์เลย สองจานเท่านั้นที่เป็นประโยชน์จริงๆที่กินไปสู่ภายในนอกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรและก็กินอย่างนี้จนกระทั่งตายตายแล้วที่เหลือก็เอาไปไม่ได้นอกนั้นเราเรียกว่าเดนทั้งนั้นตามหลักธรรมเรียกว่าอาหารที่เป็นเดนทั้งสิน้นหรืออาหารที่เป็นกาดทั้งสิน้นแต่ที่เนื้อแท้ๆก็คือที่นำลงไปสู่ภายในได้นอกนั้นเป็นกาดทั้งหมดอย่างบ้านที่เราอยู่นี่กระจัดว่าเป็นกาด มันเป็นวัตถุนี้เรากินมันไม่ได้มันเป็นแต่เพียงกาดเท่านั้นแต่เนื้อจริงๆนั้นก็คือไ อ, สอนน้สองจานนั่นแหละสองจานนั่นแหละคือเนื้อจริงๆนอกนั้นเป็นกาดเพชดนินจินดาเครื่องประดับเนี่ยกาดทั้งนั้นเลยไม่ใช่เนื้อและว่าไอ้กาดประเภทเนี้ยถ้าเราจะเอาจริงๆเข้ากินมันไม่ได้จริงๆด้วยลองสิคนใส่เพชรเต็มตัวเดินกลางทะเลทรายกับคนกระเดียดถัลิสงไปกระจาหนึ่งใครจะดีกว่ากันกลางทะเลทราย ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันไอ้ทที่สงกระจัดหนึ่งมีประโยชน์มากกว่าเพชเต็มตัวอีกเพราะไอ้พวกนั้นมันพวกกาศแตพ่พวกเนี่ยพวกเนื้อฉะนั้นการมีชีวิตยอยู่ในโลกเนี่ยเราจึงควรใช้ปัญญาว่าเราจะหาเนื้อดีหรือหากาศดีบางคนกินเนื้อนิดเดียวแต่สะสมกากไว้เต็มไปหมดเลย <c oughs> และผลสุดทา้ายไอกาศเนี่ยมันยุ่งที่สุดเลยบางทีพผตายไปแล้วไอกาศนี่แหละเป็นปัญหาละไอกาศที่เหลือเด่นเนี่ยคนนู้นทะเลาะกันคนนี้ทะเลาะกันแย่งมรดก ok กันละ แย่งกากกันทั้งนั้นแต่เนื้อแท้จริงๆก็เพียงแค่สองจานเท่านั้นฉะนั้นการบริโภคอาหารท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาเหมือนกับบริโภคเนื้อบุรมารดาบริโภคเนื้อบุรไม่ได้บริโภคด้ความยินดีแต่บริโภคอย่างคนมีปัญญาเพื่อที่จะอาศัยอาหารนี้ข้ามพ้นความกันดารไปได้เท่านั้นในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกัน เราบริโภคอาหารกันทุกๆวันนี้อย่าคิดว่าเราบริโภคเพื่อที่จะปลนเปล่อความสุขหรือบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้คิดเสียว่าเราบริโภคเพื่อที่จะปฏิบัติตนให้ข้ามพ้นความกันดารในชีวิตนี้ไปก็ใช้ได้แล้วและอันนั้นแหละเป็นจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องและเราจะเป็นผู้ที่กินอะไรอย่างคนที่มีปัญญาไม่จะกินด้วยความงม ง, งายไม่ชกินด้วยความรุ่มหลงแต่เรากินอย่างคนที่มีปัญญา อะไรอะไรเราก็กินได้และยิ่งรู้ความหมายของการกินด้วยแล้วเราก็จะไม่ไปกินอย่างอื่นที่มันกินไม่ได้จะไม่ไปกินกากกินเดนกินไอ้สิ่งอื่นซึ่งกินไปแล้วอาจจะทําให้ตกนรกแต่เรากินในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแก่ชีวิตของเราเพื่อที่จะดํารงอยู่เท่านั้นการกินมันก็จะไม่เกิดโทษแก่ชีวิตมากมายนักเนี่ยเรื่องอาหารคือกว่าลิงการอาหารท่านให้พิจารณาอย่างนี้อุปมาเหมือนบริโภคเนื้อบุด ส่วนผัดสาหารนั้นท่านอุปมาเหมือนโคที่ไม่มีหนังคอที่มันไม่มีหนังคุ้มตัวเนี่ยมันจะมีความหวาดระแวงพอเหยียวบินผ่านหลังไปวืบแล้วก็เสียวสันหลังแล้วแมลงวันบินผ่านไปก็รู้สึกเสียวแล้วเพราะว่ามันไม่มีหนังคุ้มตัวที่เราเรียกกันว่าวัวสันหลังหวาเ อ, อคนที่เป็นลักษณะเหมือนวัวสันหลังหวาเนี่ยมีแต่ความหวาดระแวงตลอดเวลา เพราะตัวเองเป็นวัวสัลหลังหวานงั้นมีอะไรขึ้นมานิดหน่อยก็โอ้โหชักจะตื่นเต้นและชักจะหวาดกลัว ล, ลักษณะวัวสัลหลังหวาดแต่ว่าลักษณะวัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวยิ่งกว่านั้นอีกตับผัสสะอาหารเนี่ยคืออาหารได้แก่ผัสสะคือการกระทบนั้นบุคคลที่จะต้องกระทบกับอารมณ์บ่อยๆที่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง พึงทำตนเหมือนกับวัวที่ไม่มีหนังหุ้มมีแต่เลือดคือคอยหวาดระแวงคอยระวังตลอดเวลาอันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับคนเป็นเป็นคือเราทุกคนเนี่ยเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจทั้งหกเนี่ยเป็นอายตนะประกอบกันเป็นทางที่จะรับความรู้สึกเรารับความรู้สึกได้หกทางนี้เท่านั้นทางตาคือเห็นรูปทางหูได้ยินเสียง ทางจมูกดมกลิ่นทางลิ้นเราลิ้มรสทางกายสัมผัสถูกต้องทางใจนึกคิดในธรรมารมณ์เรารับอารมณ์จากหกทางนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการรับอารมณ์ในหกทางเนี่ยเราจะต้องมีความสำรวมระวังอินทรีย์ดุดดังวัวที่มันไม่มีหนังหุ้มตัวซึ่งมันหวาดตระแวงเหี่ยวและแมลงวันฉันนั้นก็คือเราจะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มากในขณะที่กระทบกับอารมณ์ ถ้าไม่มีความสํารวมระวังแล้วอคุศลต่างๆจะเข้าครอบงาได้เนี่ยท่านที่บอกว่าถัดสาหารอุปมาเหมือนกับโคที่ไม่มีหนังหุ้มก็คือเราจะต้องสํารวมระวงังอินทรีย์เนี่ยดุล ด, ดังบัวที่มันไม่มีหนังหุ้มซึ่งมันจะต้องคอยระวังเหีื่วกาแล ะ, มะแมลงวันที่บินผ่านมันเราก็ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไว้ความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉย มันก็จะไม่ครอบงาำเรามากเพราะว่าบางคนนี่เป็นทุกข์ในการฟังแล้วก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังเรื่องดีหรอกคอยฟังว่ามีใครด่าเราบ้างมีใครนินทาเราบ้างมีคใครให้ร้ายเราบ้างเนี่ยคอยฟังแต่เรื่องเนี่ยแล้วแกก็นั่งเป็นทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวคนโน้นก็บอกแหมคนนั้นดา่าคนนั้นดา่าคุณอย่างงั้นคนนั้นมันนินทาคุณแหลกแล้วหมดคนนั้นมาพูดให้ร้ายคุณอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นั่งเป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะการฟังเนี่ยประเภทเนี่ยทุกขเวทนามันก็เกิดเพราะไปฟังในไอ้เรื่องไม่ดีฟังแต่เรื่องไม่ดีตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์สิเราอย่าไปใส่ใจใครเขาจะว่ายังไงใครจะนินทายัางไงใครเขาจะให้ร้ายยังไงเราอย่าไปฟังเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําดีจะทําดีอะไรอย่าไปฟังว่าใครเขาจะว่ายังไงบ้างถ้าเราทําดีแล้วเราคอยฟังว่าใครเขาจะว่าอะไรบ้างเนี่ยในโลกนี้ไม่ต้องทําอะไรแร้วนั่งฟังตลอดเวลา เพราะว่าคนพูดมันมากกว่าคนทําคนทําคนหนึ่งแต่คนพูดตั้งล้านคนเนี่ยคนทําคนเดียวจะไปฟังไหวเหรอคนทําจริงๆเนี่ยเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟังอะไรทั้งหมดหรอกเขามีหน้าที่ทําอย่างเดียวใครเขาะจะพูดอะไรอยไปฟังขอให้เราคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นความดีเป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นประโยชน์ทําไปเถอะใครเขาะจะพูดอะไรมันเรื่องของเขาเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีปากพูด แล้วก็ปากของคนนี่ใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบและการพูดนี่มันง่ายจะตายไปหุบ ป, ปากอ้าปากมันก็ออกเป็นเสียงออกมาแล้วแล้วก็ประกอบกับกจิตที่เป็นอกุศลด้วยมันก็ออกเป็นเสียงต่างๆนานาเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งออกมางั้นถ้าเราไปมัวฟังเสียงคนล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันเนี่ยอาหารชวิเนียมีอยู่ ถ้าเราจะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วลราก็อย่าไปฟังเสียงเหล่านี้ถ้าฟังเสียงแล้วเราเป็นทุกข์ใครเขาจะว่ายังไงช่างเขาเพราะทุกคนเนี่ยมีปากเป็นหอกพระพุทธองค์ท่านใช้คาําว่ามุขสัติมุขะเนี่ยแปลว่าปากสัตติแปลว่าหอกบางคนไม่ได้ทําอะไรใช้ปากเป็นหอกคอยทิ่มคนนั้นทีทิ่มคนนี้ทีว่ า, คน น, ون, วาคนนู้นว่าคนเนี้ทั้งมันไม่ได้ทําอะไรเอาปากเป็นหอกคอยทิ่มเ้าตลอดเวลาประเภทเนี่ยประเภทมุขสัตติ งั้นคนที่ดำรงชีวิตอยู่ยังมีความสุขนั้นอนะ่ะอย่าไปฟังเพราะถ้าฟังแล้วมันก็เกิดทุกข์อันนี้เป็นผัดสาหารและนำมาซึ่งทุกขเวทนาแก่บุคคลที่ไปบริโภคและไม่มีการสำรวมระวังฉะนั้นจึงต้องมีการสำรวมระวังในผัสสาหารนี้ดุ ด, ดโคอที่มันไม่มีหนังหุ้มตัวมันจะต้องระวังมแรงระวัง เออเยี่ยวที่บินโฉบไปโฉบมาเนี่ยตลอดเวลาอันนี้เป็นข้ออุปมาในอาหารข้อที่สองว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นข้ออุปมาอย่างนี้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องอยังเหลืออีกหลายข้ออาตมาคิดว่ายกย่อไปบรรยายอีกสักอาทิตย์หนึ่งคงจะดีเพราะว่ามีเรื่องอาหารเนี่ยน่าศึกษาอยู่หลายเรื่องด้วยกันซึ่งเราจะต้องพูดกันให้ละเอียด เพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งในในสีวิธีที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้และก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นปรัชญาชีวิตที่ทุกคนควรศึกษาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยที่สําคัญที่สุดที่ยุ่งยากเวลานี้ก็เรื่องอาหารเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทําให้ยุ่งรวมทั้งปัญหาต่างๆที่มันตามมาเนี่ยมันเรื่องอาหารเท่านั้นแหละฉะนั้นจึงอยากจะพูดในเรื่องอาหารเนี่ยให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้คิดว่าการบรรยายคงจะพอสมควรแก่เวลาแล้วเพราะฉะนั้นตามา ข, ขอจุติไว้แต่เพียงนี้ก่อนเราควรจะได้ศึกษาเรื่องความเกิดความแก่และความตายที่เป็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งอัจฉริยะก็ได้อธิบายว่าความเกิดความแก่และความตายทั้งสามนี้ ช่วยกันเป็นสัตรูโลมต่ช่วยกันเป็นสัตว์ประโลมันจะแย่ได้เ่าเนี่ยเหมือนเป็นสัตรูคู่ฆาสัมพัสสั์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเสมอหนึ่งกับช่วยกันปลุ่มรุ ม, รมทำร้ายชีวิตของสัมพัสสัต์เนี่ยอยู่เสมอเสมอถ้าเราได้ศึกษาดูถึงสภาวะธรรมส่วนนี้แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่าความเกิดความแก่และความตายนั้นได้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของชีวิตสตรรพสัตว์ทั่วไปเหมือนกับคนคนหนึ่งถูกคนสามคนรุมประทุส ร, าร้ายเพราะชีวิตของเราเนี่ยชีวิตเดียวแต่ว่าเราเนี่ยต้องถูกทั้งความเกิดความแก่ความตาย ทั้งสามอย่างนี้เข้ามากรุ่มๆคนคนหนึ่งกับคนสามคนซึ่งคนทั้งสามคนนั้นตั้งตนเป็นศัตรูแล้วก็มารุมทาร้ายอยู่เสมอนั้นคนคนหนึ่งย่อมทนอยู่ไม่ได้ย่อมประสบต่อความทุกข์อย่างแน่นอน เ, ออเพราะฉะนั้นสภาวธรรมส่วนนี้ เหมือนบรุษทั้งสามคนที่ล่อรวงบุคคลคนหนึ่งไปฆ่าหรือไปทำร้ายท่านอุปรมาว่าเหมือนคนสามคนรวงคนคนหนึ่งไปฆ่าไปทำร้ายคนทั้งสามคนนี้จะใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆหลอกลวงให้เรานี้หลงไหลต่างคนต่างจะพลณนาว่า สถานที่ที่จะไปนั้นเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมเราควรที่จะได้ไปเมื่อไปแล้วเราก็ถูกประทุสลายคือสภาวธรรมส่วนนี้ท่านอุปมาไวา้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั่วไปมากอย่างคนที่จะถูกจี้ถูกร้น ถูกหลอกลวงหรือแม้แต่กระทั่งถูกฆ่าตายก็มักจะเป็นบุคคลที่ถูกล่อกลวงจากจากพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นและพวกนี้ก็จะพรรณาถึงสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เราตายใจแล้วก็ไปสู่สถานที่นั้นๆแล้วสุดท้ายก็รุมมทำร้ายเรา ชีวิตของเราที่มาเกิดในปัจจุบันนี้ทุกท่านคงไม่รู้มาก่อนว่ามาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่รู้เลยว่าโลกมนุษย์เนี่ยมีความแก่ความตายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้เราจรึงอยากมาเกิดแม้แต่เวลานี้บางที อาตมาเองก็เคยพรันลาถึงความเกิดว่าเป็นสุขอยู่ภูมิหนึ่งคือสวรรค์บางทีก็ชวนท่านทั้งหลายเนี่ยไปสวรรค์ว่าการบริจาคทานก็ดีรักษาศรรีลก็ดีจะส่งผลให้เรานี้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้คือสวรรค์หรือเทวโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงความสุขบนเทวโลกไว้ ว่าความสุขบนเทวโลกนั้นมีมากมายหลายๆอยา่างคือภาวนาจนกระทั่งให้เราเนี่ยอยากจะเกิดบนสวรรค์เราทุกคนก็ปราถนาความสุขความสุขอันเป็นที่บนสวรรค์นั้นย่อมมีมากมายกว่าความสุขบนพื้นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงปราถนาที่จะไปเกิดบนสวรรค์แต่ว่าบนสวรรค์นั้น ก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงมีความแก่ความตายเหมือนกันเทวดาก็หนีไม่พ้นความแก่และความตายคือต้องแก่ต้องตายเหมือนๆกันเทวดาก็มีวันหมดบุญได้เหมือนมนุษย์ที่เสวยความสุขในโลกปัจจุบันเวลาที่บุญอุปถัมภ์ส่งเสริมอยู่ก็มีความหาสุขมีความสิมเอิด เทียบพร้อมไปด้วยลาบยศสรรเสริญได้ความสุขแต่เมื่อหมดบุญแล้วก็จะเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาและถูกความทุกข์ต่างๆเนี่ยเข้ากรุ่มรุมเทวดาที่เกิดขึ้นบนเทวโลกนั้นกับมนุษย์ที่เกิดบนพื้นโลกนี้มีความต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือความได้เปรียบกับความเสียเปรียบ ชีวิตของเทวดานั้นเป็นชีวิตของการเสวยเสวยกรรมเก่าหรือเสวยผลแห่งบุญที่ตนเองได้สร้างสารร์ไว้ในโลกมนุษย์มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือใช่บุญเก่าเป็นผู้กําลังเสพสุขจากผลแห่งบุญที่ตนเองได้บําเพ็ญไว้แล้วไม่มีโอกาสทําบุญเพิ่มเติมมีแต่ใช้บุญเก่าอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้สเสวยความสุขจากบุญในอดีตเพราะฉะนั้นเทวดาจะเพิ่มพูนบุญอย่างไดอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งต้องจำแรงมาเป็นมนุษย์มาทำในโลกมนุษย์นี้ครั้งหนึ่งพระอินทยังต้องแปลงเป็นมนุษย์มาใส่บาตรแก่พระมหากรสปะซึ่งพระมหากรสปะนั้นท่านออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆตามธรรมดาพระสงฆ์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเนี่ย ถ้าเราไปใส่บาตรท่านเราได้รับอานิสงส์มากเป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมผลอันนี้จะให้ผลภายในเจ็บวันเป็นอย่างช้าเราจะได้ผลจากการบำเพ็ญบุญอันนี้ทันทีในปัจจุบันชาติเทวาพระอินทร์ซึ่งเป็นเทวโลกชั้นจาตุมหาราอัชดาวดึงหวังจะเพิ่มภูนทร์ทรัพย์จลิงคารในเทวโลกเนี่ยโดยเฉพาะก็คือรัศมี ให้สดใสแผ่กระจายเทียบเท่ากับเทพบุตรองค์อื่นๆก็ไม่ทราบว่าจะเพิ่มภูนได้อย่างไรต้องมาทำบุญเพราะฉะนั้นจึงแปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาใส่บาตรแก่ธรรมหากัศกศรรมหากัศกไปทราบเอามาตอนที่ได้กลิ่นของอาหารว่ากลิ่นอาหารที่สองตายายใส่นี้ไม่เหมือนกับกลิ่นอาหารในโลกมนุษย์ช่างหอมหวนอบอวนดุจอาหารพิษ จึงได้รู้ว่าเทวดาจำแรงมาใสา่ซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของท่านท่านออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆเนี่ยก็หวังจะไปโปรดมนุษย์คนยากคนจ น, จนให้ได้มีโอกาสทำบุญแล้วเขาจะได้พ้นจากความยากจนเหล่านั้นแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้โปรดมนุษย์พระอินมาชิงใส่เสก่อนเอาบุญเสก่อนท่านก็ฉันอาหารของพระอินทร์ซึ่งเป็นอาหารพิษ เนี่ยแสดงให้เห็นว่าบนเทวโลกนั้นไม่มีโอกาสทำบุญเสียเปรียบที่ตรงนี้แต่ได้เปรียบตรงที่มีความผาสุกทุกอย่างเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่ต้องมาฉีดยาไม่ต้องมารับประทานยาแก้ปวดหัวตัวร้อนอแล้วก็ไม่ต้องมาแก่งอมหลังโกงผมขาวหนังเหี่ยวอย่างนี้เพราะว่าเทวดาไม่มีเจ็บถึงแก่ก็ไม่แก่แบบนี้ท่านบอกว่าเมื่ออุบัติเกิดขึ้นด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิ รูปร่างสดสวยอย่างไรก็จะสวยอย่างนั้นตลอดการเป็นอมรเทพเราใช้คำว่าอามรคือไม่มีวันตายแต่ความจริงแล้วตายเหมือนกันหมดบุญแล้วตายเป็นแต่เพียงว่าตายช้าหน่อยเท่านั้นเองแต่ความแก่เนี่ยก็ไม่แก่หน้าเกลียดเหมือนมนุษย์แก่เป็นมนุษย์นี่พอแก่แล้วก็น่าเกลียดแต่เทวดาแก่ไม่น่าเกลียด ทางการตายบนเทวโลกนั้นก็ไม่ยุ่งยากเหมือนโลกมนุษย์ตายแล้วก็ไม่ต้องมาเผามาชาปนกิจเหมือนโลกมนุษย์ตายแล้วก็สูญสิ้นกันไปสังขารร่างกายก็เป็นทิพย์ทั้งนั้นไม่ต้องมาเผ า, ไ ม, ม า, เาไม่ต้องมายุ่งยากในภายหลังเนี่ยเป็นความได้เปรียบแต่เสียเปรียบตรงที่ว่าเทวดานั้นมีแต่เสวยบุญเท่านั้น แต่ไม่มีการทำบุญเพิ่มเพราะฉะนั้นบุญที่ตนเองเสมเอยก็ต้องมีวันหมดลงจนได้วันใดวันหนึ่งเมื่อหมดบุญแล้วความเศร้าหมองก็จะเกิดและจะเคลื่อนคือจุติจากเทวโลกไปสู่ภพภูมิต่างๆตามคติของกรรมมนุษย์เราได้เปรียบแต่เราเสียเปรียบเทวโลกตรงที่ว่า ร่างของความเป็นมนุษย์นี้หยาบเราได้ร่างอันนี้มาใช้แต่ว่าร่างที่เราได้ใช้เนี่ยบางครั้งก็เป็นภาระแก่เราภาระอันหนักก็คือการที่เราจะต้องบริหารคือจะต้องหาปลนเปรอตลอดเวลาเราต้องรับประทานอาหารทุกๆวันเดี๋ยวเราปวดตรงนั้นเราเมื่อยตรงนี้กระทบอะไรเข้าก็เจ็บปวดสรพั์อย่างเนี่ยเป็นภาระอันหนึง่ง ทั้งเราจะต้องคอยประคบประงมอยู่เสมอเสมอเป็นภาระอย่างยิ่งเราจะเห็นภาระเช่นนี้ได้ชัดเจนก็เมื่อตอนเจ็บไข้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเราเห็นคนเจ็บที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์สังขารเป็นของน่าเกลียดน่าระอิดระอาก็เป็นภาระ แก่ตัวเราแก่คนอื่นอย่างมากมายที่เราจะต้องคอยปรนนิบัตริรับใช้เขาอยู่เสมอๆตลอดจนเราต้องกระทบกับความทุกข์เนี่ยรุนแรงมากกว่าบนเทวโลกอารมณ์ที่เราได้เห็นก็ไม่สดชื่นเหมือนเทวโลกเพราเทวโลกนั้นจะพบแต่อิทธาอารมณ์คืออารมณ์ที่น่าดูน่าชมทั้งนั้น มองไปทางไหนก็พบแต่สิ่งที่งดงามสะอาดตาเสียงที่ได้ฟังก็เป็นเสียงที่ดีๆเป็นส่วนมากแต่ในโลกมนุษย์นี้เราอาจจะเห็นสิ่งที่เราไม่พึงพอใจอาจจะกระทบกับอนิจฐานอารมณซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ยินดีมากมายที่มีอยู่ในโลกมนุษย์มนุษย์ที่เกิดมาก็เกลื่อนกลน ไ, ได้วยความทุกข์ความเศ้าโตก ถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลก็จะได้ยินเสียงร้องระ ง, งมโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะเป็นเสียงะระ ง, งมของบุคคลที่ประสบต่อความทุกข์ความยากในชีวิตของตนเองแต่เราได้เปรียบตรงที่ว่าในโลกมนุษย์นี้มีโอกาสสั่งสมบุญเื่อมีโอกาสสั่งสมบุญนั่นคือเรามีโอกาสทําบุญได้มากได้มากกว่าโลกอื่น